คว่า พ, พระพุทธเจ้าคือท่านผู้ปราบไตรภพเรียนจบในส ม, มุททั้งปวงโดยสมบุกพระสาวกก็ดำเนิน รอยตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เรียนจบปราบไตรภพภายในจิตให้สิ้นซากไปเช่นเดียวกันกับพระศา ส, สดาคำที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกับคำที่ว่าพระธรรมได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนั้น ขึ้นมาในขณะเดียวกันจากนั้นก็พระสงค์ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกมีการกล่าวถึงผลความปรากฏของธรรมเมื่อกล่าวถึงเหตุพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรมีความยากเย็นเข็นใจขนาดไหน าสาวกกิวสังคั ง, งสทนังขัาฉามีนั้นท่านลำบากที่ได้รับความทุกข์ทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่ถ้าเป็นแทบตายด้วยกันมีจำนว น, นน้อยมากที่เป็นขิปปาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว น, นี่มีจํานวนน้อยมากทุกขาปฏิปทาขิ ป, ปาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ก็มีจํานวนมากพอประมาณในครั้งพระพุทธเจ้า ส่วนทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานี่รู้สึกจะมาก ค, คือทั้งปฏิบัติลาบากและรู้ได้ช้านี่มีจานวนมากมีท่านกล่าวไว้สี่ประเภทด้วยกันคือสุ ข, ขาปฏิปทาทิปาปัญญา ท, ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปั ปรททุกขาปฏิวัตาคิดป่าทันท า, นาปัญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วมีเป็นลำดับลำดาบเพราะฉะนั้นท่านทุกนักปฏิบัติทั้งหลายให้พึงดู ใจของตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นมากยิ่งกว่าดูตัวของเราที่ยกมานี้มาเป็นแบบฉบับเพื่อมห็นมันจิตมันออกนอกรูนอกทางโดยเห็นว่าลำบากบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทะเลทไลไยไปในทางที่จะพาให้โล่จมไปเสียโดยไม่ไม่รู้วันนั้นคือความลำบากอย่างมหัน การปฏิบัติเราพอทราบได้ในนิสัยของเราเราฝึกทรมานจิตใจของเราหนักแน่นขนาดไหนได้รับผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างว่เป็นทุกข์ขาปฏิบัตาสุกขาปฏิบทาอยู่ในนั้นถ้าปฏิบัติแบบล้มหมอนนอนเสือไม่มีวันลุกไม่มีวันตื่นเลยนี่ นี่มันเลยสุขาปฏิบัตามันเป็นปฏิบัติที่เน่าเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจอันนี้ไม่มีทางที่จะว่าเป็นสุขทันทาพิญญาและขี้ปลาพิญญาได้เลยคือรู้ได้เร็วกว็าตามรู้ได้ช้าก็าตามจะไม่มีวันรู้ได้ทั้งสองอย่างนี้ นอกจากหลงไปเลยจมไปเลยอันนี้เป็นไปได้กับปฏิบัตาแบบนอนจมนี้ให้ดูจิตของตัวเองมันฝ่าฝืนธรรมมากน้อยอย่างไรนั่นแหละวิธีการปฏิบัติตนจะต้องในปฏิบัติให้พอๆกันกับความฝืนของจิตตามธรรมดาจิตย่อมมีความฝืนธรรม และไหลไปตามโลกที่เรียกว่ากิเลสนั้นโดยลำดับลำดาไม่มีการไม่มีคำว่ายับยั้งช่างตวงประการใดเลยเพราะมันราบรื่นมากเนื่องาอจากทางนี้เป็นทางที่เคยเป็นมาไปจําพบประจําชาติของตนจนนับไม่ถ้วนแต่การที่จะฝืนจิตใจ จากพบจากชาตินี้มันต้องได้ฉุดได้ลกักเพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ชอบทำถ้าทําอยู่จุดใดใจไม่ชอบในจุดนั้นทำบอกสอนว่าอย่างไรใจมักฝืนอยู่เสมอหรือฝืนเสมอนะเพราะใจนั้นเป็นใจของกิเลสเป็นเจ้าของไม่ใช่ธรรมเป็นเจ้าของกิเลสเคยเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วแล้วมีกําลัง รอบตัวอยู่ตลอดเวลาคือรอบจิตมันนานเราถึงจะได้ฝืนสักนิดนิดหนึ่งฝืนนิดหนึ่งยังไม่พอกับกําลังของกิเลสทั้งหลายโดยเหตุ น, นี้จึงต้องคํหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดําเนินมาทุกขนาดไหนสำหรับพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเอ ง, เอ ง, เองนั้น เอมเป็นความยากความลำบากอยู่โดยดีเพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดชี้แนะแนวทางให้จนสาวกได้รับการชี้แจงแนะนำจากพระพุทธเจ้ามาด้วยดีแล้วจึงเรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฝังผู้ได้รับการแนะนำจากพระพุทธเจ้าแม้เช่นนั้นเวลามาปฏิบัติยังต้องลาบากลาบ่ม ก็เพราะความฝืนของกิเลสความต่อสู้ของกิเลสขาดขวางของกิเลสไม่ให้เป็นไปตามร่องรอยของธรรมนั่นเลยนั่นเองกิจจินม่เป็นเช่นนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ได้ทราบการแนะแนวทางมาแล้วแม้จะยากลำบากการฝืนก็ฝืนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ได้รับจากพระพุทธเจ้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นกิจงานการใดๆก็ต่าใครจะว่ายากว่าลำบากทุกทรมานเพียงไลเมื่อมาเทียบกับงานที่จะถอดถอนห ร, อหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสออกจากจิตใจนี้ยึงเป็นงานหนักเหนือ ง, งานใดๆทั้งนั้นผู้ไม่ทราบ ผู้ไม่เคยดําเนินผู้ไม่เคยทํางานประเภทนี้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะไม่มีทางทราบได้เลยว่างานนี้เป็นงานที่หนักมากอย่างไรความหนักก็หนักความใช้ความพินิจพิจารณาละเอียดละออก็ต้องพิจารณาละเอียดละออมากเกินกว่ากิเลส จ, จะตามทันหรือเกินกว่ากําลังของจิเลสที่จะต่อสู้ได้จิเลต จ, จึงจะยอมหมอบราก ตามปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจให้เครอเคลื่งลงหลงไหลไปมาเป็นประจำอยู่แล้วทำไมจะไม่แก้ไม่ถอดถอนยากต้องเป็นของยากแล้วเรา อ, อพึงทราบนิสัยของเราเมื่อการต่อสู้ยากเพียงไร ได้ผลมากน้อยเพียงไรที่เป็นเครื่องตอบแทนเราพึ่งจับเอาผลนั่นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ในการดำเนินเหตุให้หนักมือเข้าไปหากไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายเลยแล้วจิตนี้ก็จะไม่พ้นเป็นที่อยู่ที่ฝังจมและที่ขับถ่ายของกิเลสตลอดไป ไม่มีเวลาที่ทมจะแทรกเข้าไปได้หากไม่ได้ใช้ความพยายามและพิธิปีนาอย่างเอาจริงเอาจังนี่ดูการประกอบความภาคเพียงขององุอนเวนรู้สึกทำให้หนักใจอยู่มากเป็นแต่เพียงไม่พูดเท่านั้น ดูอักกับกิริยาความเคลื่อนไหวไปมามันบ่งบอกอยู่เสมอว่าเป็นความบกพร่องตลอดกิริยาบกตนที่ที่นี่กิเลสไม่เคยมีคำว่าบกพร่องมันพอกพูนตัวของมันอยู่ตลอดเวลากับการประกอบความเพียรของเราบ ก, บกพร่องๆจะเข้ากันได้อย่างไร จะนำกำลังที่ไหนมาต่อสู้กับกิเลให้ยอมจำนวนต่อธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามให้หนักมือขึ้นไปโดยลำดับอย่านำความทุกข์ความลาบากที่เคยประกอบความภาพเย็นมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตปีอดีตเดือนอดีตวันก็ตามอดีตเวล า, เ, วลาเช่นวันนี้ก็ตามความทุกข์ความลำบาก เหล่านั้นมากจะเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสเสมอการประกอบความภาคเทียนเพื่อกแก้กิเลสกิเลสจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบุญครั้งนั้นก็ลำบากมาแล้วปีนั้นลำบากมาแล้วเดือนนั้นได้รับความลำบากมาแล้วมาเดือนนี้วันปีนี้วันนี้ก็เป็นความลำบากแล้วจะพยายามถูไถไปได้อย่างไร ทำให้จิตใจท้อถอนแอะลงในขณะที่จิตที่เช่นนี้นั่นแลคือเพลงของกิเลสกล่อมใจให้ผืนทราบเอาไว้ทุกๆุกถัดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์และถูกทำแต่เป็นความคิดที่กิเลสแทรกขึ้นมาโดยลําดับลําดาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละกิเลสถุดลากหัวใจให้อ่อนต่อความภาคเพียรและท้อถอยปล่อยวางในทางความดีทั้งหลายเสีย ล่มจมไปกับมันจนได้ก็เพราะอุบายเหล่านี้แหละในเหลนนั้นไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อความเคลื่อนไหวที่จะสั่งสมตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นมาแต่ความภาคเพียนของเรามักจะอ้างการอ้างเวลาเวลาอ้างความทุกข์ความลำบากอ้างอ้างความโง่ความฉลาดอ้างอำนาจวาสนาอ้างอ้างสถานที่การเวลา สร้างไปกี่ประเภทล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของเกลียดทั้งหมดอืเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีช่องทางออกที่ตรงไหนผ mm. ู้ปฏิบัติมาอ้างเช่นนี้ก็คือเอากิเลสมาถือเป็นเครื่องมือแห่งความคิดความปรุงนี่ใช้ไปเฉยหมดความคิดในแง่ธรรมที่เคยคิดไว้นั้นเลยล่มจมชิบหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละการประกอบความภาคเพยนที่เป็นไปไมาา่ได้ภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ ขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้ครั้งพุทธการท่านประกอบความภาพเพียร น, นี้ท่านทําอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําเป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆกับความเพียรเพื่อชําระสสารกิเลสให้วอดวายไปจากกิตใจทําไม่ทําเพียงรุ่มโดนๆพอเป็นกิริยาให้กิเลสมันหัวเละลาคาญตายต่อๆอย่างที่ เป็นไปอยู่ในปัจจุวันนี้กิริยาอะไรที่แสดงออกมามีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตาเยอะทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทักจูงหรือผักดันให้เป็นไปถ้าอยากจะทราบก็เวลานี้ก็สอนอยู่แล้วอุบวิถีที่จะทราบความเพียงสําคัญก็คือสติอย่างไรสตินี้ พ้นไปไม่ได้ปลอยไม่ได้จากนั้นก็ปัญญาขึ้นเป็นรักเป็นตอนสอดแทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะควรใช้ปัญญาต้องใช้ไปอยู่โดยสม่งเสมอยาคอยให้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจะใช้ปัญญาสมาธิถึงภูมินี้แล้วจะใช้ปัญญาขั้นนั่นขั้นนั่นขั้นนั่นมีแต่วาดแบบรมๆแรงๆไปหาเหตุผลไม่ได้ ตามหลักธรรมแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้วาดไปอีกนี่เราก็ไม่รู้จุดตัวการฝึกทรมานจิตใจให้พึงทราบว่าจิตใจนี้เป็นอะไรจิตใจนี้คือผู้ท่องหาถูกควบคุมจากกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราจะแย่งชิงจิตใจนี้มาเป็นสมบัติของธรรมให้ทำได้คล่องใจจึงมีการต่อสู้ซึ่งกันแลกันหลักแห่งการต่อสู้ก็คือสติ เครื่องมือแห่งการต่อสู้คือสติคือปัญญาศรัทธาความเปียงเป็นเครื่องหนุนในการต่อสู้จําำไว้ให้ดียิเรศ จ, จะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนี้ใครพิจารณาทำบทใดการเริ่มแรกก็เคยพูดเคยสอนแล้วทำอะไรให้กินให้จังจะบริกรรมก็เหมือนกันเราบริกรรมทำบทใดให้มีแต่ทาบทนั้น กับความรู้สึกที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทํานั้นปลอยวางเสียโดยสิ้นเชิงเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะคําบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นคือความเพียงที่ถูกต้องอย่าไปเสียดายเวลาเวลาอย่าไปเสียดายความคิดตรุงมสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะมาแยกเอาความคิดตุงอันเป็นอัดเป็นธรรมนี้ให้กลายเป็นเรื่องความคิดตรุงของเด็กไปเสีย มีความรักความสงวนความหึงหวงความคิดความปรุงอันเป็นอัดเป็นธรรมนี้ไว้กับตนเองอย่าให้กิเลสมาแย่งชิงเอาความคิดความปรุงหรือคำโดยคำ น, นี้ไปทาหน้าที่ของกิเลสแทนทำไปเสียแล้วจะหาความสงบเย็นไม่ได้ถูกกำหนดทาบทุใดให้พึงทาแบบแบบนี้ด้วยกันแม้จะกำหนดอนาปานาตติตามความถนัดของตน แต่ละหลายๆก็พึงกําหนดดูเฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องเปลีนเมื่อเป็นตัวบังคับบัญชาจนจนเกินไปจนเกินไปให้ทําความรู้ไว้โดยเฉพาะเฉพาะเท่านั้นและไม่หวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูปนั้นรูปนี้ไม่ต้องไปหมายการบําเพ็ญเหตุอยู่เวลานั้นแหละคือการสร้างผล ให้ปรากฏขึ้นมาตามโดยลําดับคำหนาตามกําลังแห่งความเพียรหรือแย่งสติที่กํากับจิตใจด้วยดีให้รู้อยู่กับลมลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปในขั้นเริ่มแรกนี้เราจะทําให้กว้างขวางไม่ได้จะเป็นการสร้างภาระให้มากขึ้นสุดท้ายก็เลยไปไม่ไมรอดไม่ได้เรื่องราด้วยกันดั้งนั้น ยังต้องให้กำหนดเฉพาะหลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้ยาคาดยาหมายความคาดความหมายไม่ยังผลอะไรให้เกิดขึ้นนอกจากวงปัจจุบันที่รู้กันอยู่ระหว่างลมกับสติที่รับรู้กันอยู่เท่า น, านั้นนั่นคือความถูกต้องให้จริงจังลงจงหน่อยนี่เป็นขั้นหนึ่ ง, างการทำจิตให้สงบ ยาเสียดายอารมณ์ใดในขณะที่กําลังทํางานอยู่เวลานั้นความคิดความปรุงเคยคิดเคยปรุงมามากต่อมากแล้วพรนานาไม่ได้แม้ภ า, ายในชั่วโมงหนึ่งเราอยากพูดถึงปีถึงเดือนที่ผ่านมาเลยแล้วได้ผลได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรจากความคิดปรุงห ล, ล, ล, ล, ลงหลงแรงแรงดั ง, งที่เคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องของทีเรียนทำงานต่างหากไม่ใช่เรื่องของทำทํางานยิ่งไม่ได้ผลบัดนี้จะให้จิตทํางาน ในด้านธรรมะเช่นคาบริตรรมถ้ามันยังคิดออกไปได้เอาคําบริกรรมให้ถี่ยิดเข้าไปอย่าให้มีช่องบ้างเลยทําการต่อสู้กันอย่างนั้นจริงก <c oughs> ารกาหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่กับลมโดยสม่ําเสมอมันล่อยไม่วางซึ่งกันและกันแล้วลมก็จะปรากฏเป็นความละเอียดเข้าไปเพราะใจพาให้ละเอียดนี่ก็อธิบายถึงที่สุดของลม มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนถึงกับว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกห เ, เ, เหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเนี่ยเป็นดังนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติเมื่อยังเหนือแต่ความรู้ล้นล้วนเราก็ไม่ต้องวิจารณ์กับลมว่าหายไปไหนกลัวจะเป็นจะตายเราไม่ภาวนาเอาลมหายไปไหนก็หายไปลมเราภาวนาเอาความรู้คือจิตนี้ตังห์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 ขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้น <c oughs> อย่าไปปรุมไปแตะไปหมายว่าอยากไปละเอียดไปให้รู้ดูจําเพาะนั้นจึงที่ว่าภาวนาในวงปัจจุบันนี่การพิจารณาเพื่อความสงบถึงเวลาหรือระยะที่จะพิจารณาให้เป็นวิ ป, ปัสนาวิ ป, ปัสนาก็แปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นธรรมดาแล้วมันเห็นด้วยความมืดบอด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 หาแล้วมันไม่เจอมันมีแต่ความพันุโโกูลโง่พวกทั้งภายนอกภายในต้องชะต้องล้าต้องอักต้องอับต้องสงอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นดูไม่ได้นี่ความจริงทําไมจึงเชื่ อ, อนั่งหนาเชื่อเลยียดมันสวยมันงมันจีรังถาวรว่าให้ความสุขกาย ใ, ให้ความสุขที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏว่ากายมีความสุขเลยนอกจากมันไม่เป็นโรคอะไรมันก็อยู่เฉยธรรมดาแต่เรื่องของความทุกข์นั้นเด่นมาก คามสุขมีนิดๆเช่นนิ้วข้าวพอรับทานอีกแล้วก็มีความสบายขึ้นมาข้างหนึแต่นั่นก็เสมอตัวมีพิจนารณาตั้งกายก็ให้เป็นอย่างนั้นบางคาั้จิตให้ท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเนี่ยถ้านราเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานภายนอกตามป่าตามเขาลําเนาไพรก็เที่ยวไปแต่จิตไม่ละกรรมฐานภายในคือท่องเที่ยวอยู่ในสกุลกายอันเป็นหลักใหญ่ของสัจธรรม และสิ่งนี้แลเป็นเครื่องปกปิดกำบังบุรุษตาฟ่างใจโง้เข่ขาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทำให้ลงสู่ความจริงนี้มอบเจาสาโรฒมานขาทันตาแตกโจเป็นต้นให้ใหพิจาณาพี่คลายสิ่งนี้ทําไมจึงหลงนักหนาตาก็มีอยู่ไม่ใช่คนตาบอดหูก็มีอยู่ทุกจมูกก็มีอยู่ควรจะเห็นควรจะรู้ควรจะได้ยินควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งกิง่นทั้งอะไรทั้งหมด แต่ทําไมมันจึงไม่รู้ไม่เห็นทําไมมันถึงไปเชื่อแบบด้นด้นเ ด, ด, ดาๆดเกาหมัดไปเช่นนั้นซึ่งหาความจริงไม่ได้เลยนี่ยพิจารณาลงไปและยึดหาอะไรพูดถึงเรื่องธาตุดินยึดมันอะไรดินก็นรู้ว่าดินอยู่แล้วน้ําก็รู้ว่าน้ําแล้วยึดแต่มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้อย่างไรดินเป็นสัตเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายได้อย่างไรลมก็รู้อยู่แล้วว่าลม จะให้เป็นสัต์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นของสวยของงามได้ยังไงใช่เนี่ยมีแต่สิ่งรู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆนี่แล้วไปหลงกลของมันได้ยังไงหลงกลของเิตวันนี่คือสัตว์ดินนี้คือสัตว์ดินน้ํานี่คือสัตว์คื อ, คอบุคคลลมไฟคือสัตว์คือบุคคลคือเขาคือเราคือหญิงคือชายคือของสวยของงามน่ารักใครชอบใจรักใครชอบใจอะไรกับดินน้ําลมไฟแยกแย ะ, แยะดู ให้มันเห็นชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องปฏิคูณร่างกายไหนร่างไหนจะเป็นปฏิคูณมากขิ่งกว่าร่างมนุษย์เราดูลงไปสิทุกจิ่งทุกอย่างมันเด่นกว่าเขาทั้งนั้นถ้าเป็นของปฏิคุณแล้วแล้วทําไมจึงต้องรัะต้องสอบต้อง ก, กอําหนดยินดีนั่งหนานี่เป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจรอกอย่างนี้เรายังเชื่ออยู่เลยเอาทำเข้าไปเป็นคู่แข่งมองทะลุเข้าไปหาความจริงบ้าง อย่างน้อยบ้างถ้าก่อนต่อไปอนั้นก็มองให้ทะลุ ป, ปุโปร่งลงไปจนกระทั่งอ้ายตัวเองมาออกมายึดมาถือมาสําคัญมันหมายถึงนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้เมื่อเวลาพิจารณาเข้าสู่ความจริงแล้วมันหาความเป็นนั่นเป็นนี้ดังที่เคยเป็นมาที่สําคัญมานั้นไม่มีเลยมันก็ละอายตัวเองไปดีพอปัญญาอย่างทราบตรงไหนมันรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนมันปล่อยวางไปโดยลําดับถ้าปัญญายังไม่เข้าถึงความจริงไม่เป็นความจริงเมื่อไหร่มันยังไม่ปล่อย เพราะมันยังไม่รู้จริงเห็นจริมันก็ไม่ปล่อยได้เมื่อมันถึงความจริงแล้วมัดไว้เท่าไหร่ก็เถอะยังไงก็กระเด็นผงไปเลยเถอะถึงไม่มีเหลือขาดกระจายไปเลยอะไรมามัดไม่ได้มัดจิตนี่ขอให้ปัญญาได้ฟันขาดกระจายไปเถอะมันจะดิดตัวของมันขึ้นมาทันทีพิจารณาให้ถือเป็นการเป็นงาน รบทวนข้างบนข้างล่างภายในภายนอกตลอดตัวถึงถือเป็นการเป็นงานจริงๆอย่าไปกําหนดเที่ยวแห่งการพิจารณาอย่าไปนับว่าพิจารณาเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งไม่สําคัญยิ่งกว่าการพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงนี่คือความจริงแท้เอาให้เห็นเอาให้พิจารณาจนทํานาหลายครั้งหลายผลก็เด่นครับขึ้นไปเองเด่นไปเองเด่นไป ความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเจ็กสันปั้นยอเอาไว้มันก็จางไปจางไปสุดท้ายก็หมดไปไม่กล้าเข้ามาแทรกความจริงนี้ได้เลยนั่นท่นานรรู้จริงรู้อย่างนั้นนี่หละพระพุทธเจ้าท่านตัดพพตัดชาติท่านตัดเข้าที่ตรงนี้สอนท่านก็สอนอย่างนี้อันไหนที่อยากควรพิจารณาได้ง่ายเหมาะกับ กำลังสติปัญญาของเราท่านก็สอนตอนนี้ก่อนเห็นร่างกายเป็นของหยาบม้เช่นนั้นมันก็ยังหลงที่ต้องสอนมาส่วนร่างกายนี้ก่อนเห็นท่านมอกธรรมาฐานห้าเป็นต้นให้งั้นเมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการสามสิบสองไม่ต้องบอกลุกลามไปหมดซึมซ่าไปหมดเข้าใจหมดปล่อยวางได้ทั้งหนังเมื่อปัญญาด้วย ออแทกลงไปจนตลอดทั่วถึงแล้วเวทนามันมีอยู่ในกายนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงอันหนึ่งแต่เมื่อเราไม่ทราบว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างอันต่างเป็นความจริงของตัวเองเราก็ไปเอาทั้งสองอย่างนี้มามัดเข้าด้วยกันมาเป็นเราเป็นของเราด้วยกัน เวทนาคือความทุกข์เป็นต้นมันก็เป็นความจริงของอันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันไม่ทราบว่ามันให้ความทุกข์แก่ผู้ใดด้วยไม่ทราบความหมายในของตัวเองด้วยกายก็เหมือนกันก่านพิจารณาเวทนาแย่แยะกันอย่างนันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจริงตามสภาพของตัวเวทนามีทุกเวทนาเป็นต้นที่ปรากฏขึ้นจากร่างกายมันก็เป็นความจริงของมันอัน ถ้าเราจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกันกบฟืนกับไฟที่เผาไหม้กันนั่นแหละเพราะอย่างยิ่งเราเผาก็ไผ่ดูส่สิเสียงระเบิดตรมตามๆเหมือนกับมีจิตมีวิญญาณเหมือนเสียงร้องเสียงขา่าไปแล้วทีนี้ฟืนมันรู้ไฟไหม้ฟืนก็ไม่รู้ไฟไฟก็ไม่รู้ฟืนพาเมื่อประกอบกันเข้าแล้วมันก็ไหม้ของมันไปอย่าง น, น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 แต่กาะโขลยหรือแบกหามอกทั้งร่างร่า ง, งกายทั้งความทุกข์นั้นมากมาว่าเป็นตนไป็นของตนเขาอีกยิ่งเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างห น, นัมากยิ่งกว่าทุกขเวทนาทางร่างกายเช่นอีกนี่ความหลงมันทําให้เป็นพิษเป็นภัยเปขนาร น, นั้นาท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ยิ่งเวลาทุกขเวทนาข้าสาหัสมากเพียงไรนั่นแลเป็นเวลาที่ สติปัญญาจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอดคนเรายอมจนกรอกเมื่อไหร่เมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วความฉลาดเพราะความดิ้นรนของสติปัญญามันหากช่วยตัวเองเน็รอดไปได้และรู้แจ้งความจริงทั้งหลายก็รู้ในเวลาจนกรอกนั่นเองดงขอให้ทราบไว้ทุกๆองค์ด้วยว่าคนเรานั้นไม่ได้โง่อ ย, อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจนกรอกจนมุม แล้วอัตตาเหงอัตนโนนาโถความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นใหม่เพราะตอนนั้นเวลานั้นเราจะไปร้องครางให้ใครมาดเรื่ อ, อันนี้จังทุกขังอาตา ม, มันตามเราไปได้ทุกระยะระยะเว้นแต่คำว่าอสุภะเท่า น, นั้นเพราะนั้นเป็นนามธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องสุภะอสุภะหรือ ม, มีตั้งแต่ความรู้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 จนกระทั้งไปเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นลาวไปแล้วแล้วก็ไปหลงภาพมานั่งเหมือนกับวาตุกตาหลอกตัวเอ ง, งทั้งที่ออกไปจากใจนี่แหละสติปัญญาไม่ทันไม่รู้แต่พอทันแล้วเท่านั้นรู้หมดเนี่ยเราจะเอาสาระอะไรเราจะจะพิจาณหาความจริงความคิดคิดดีคิดชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะคิดประเภทใดเป็นดับความจาก็จําอะไรมันก็ดับสัญญา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 เข้าใจเข้าใจปล่อยวางหรือว่าเข้าใจตรงไหนสังหารกันที่นั่นก็ถูกสุดทา้ทายทั้งว่าพิเรฒทั้งมวลนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็รู้ได้ชัดมันไม่ได้อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันดูกับจิตที่ไปเกี่ยวโยงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะความไม่รู้ต่างหากเมื่อพิจารณาคลี่คลายสิ่ง น, นั้นแล้วจิตท้ายสงสัยหายสงสัยแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา จนกระทั่งถึงร่างกายเจ้าของว่าพิจารณานี้ก็หายรงสัยรับปล่อยเข้าไปแหน่ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปคือรู้เท่าแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายอย่างนี้อืขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือกันห้าเนี่อรู้เท่าปล่อยวางอะไรที่เป็นตัวการสําคัญของกันห้าอวิชชาปัญญาสั้งข้าราอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิต น, นั่นที่นี่ ท, ที่เหลดรวมตัวแล้วเข้าไปจุดเดียวเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วหมุนเข้าไปกรทั่งถึงจิตแต่จิตประเภทที่มีอภิชานี้เป็นจิตที่สง่าผ่าเผยองค์อาจกลาหารทั้งความผ่องใสทั้งความองอาจกล้าหารทั้งความคึกขนองของตัวเองด้วยความอาจหานนั่นแหละ เป็นนิสัยของจิตประเภทนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงถึงว่ามานะเก้ามานะเก้าอยู่ตรงนี้ท่านอธิบายไว้ในสังโยชน์เบื้องบนอะรูปราคารูปราคามานะอุทะจะอวิชชามานะนั่นความถือเนี่ยถ้าถืออวิชชากับจิตที่กลมขึ้นเป็นเดียวนั่นนะเข้าใจว่าเป็นตนเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาเทียบเคียง เหมือนนั่งว่าองค์นั้นเป็นยังไงผู้นั้นเป็นยังไงคิดเสมอเราหรือยิ่งกว่าเราหรือย่อนกว่าเราท่านถึงยกว่าสามสามเป็นเก้าอย่างเช่นเราเราหยินเราต่ำกว่าเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยินเราเสมอเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหรือเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยิดเรายิ่งกว่ากว่าเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหรือเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่อาอันนี้เราออกเทียบเทียงมันเป็นเขี้ยวอ เที่ยวบนหลังแหลมของเที่ยววิชามานะความถืออันนี้เองพอนี้สลายไปแล้วเอาอะไรมาถือเอาอะไรมาเป็นผ่องใสเอาอะไรมาเป็นเศร้าหมองเอาอะไรมาเป็นความอุ่อาดกล้าหาญเอาอะไรเป็นมาเป็นความกลัวมันไม่มีหน่อยที่พอธรรมชาตินี้มันสลายตัวลงไปด้วยอำนาจของการพิจนรณา แล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมาชาติที่สร้างปัญหาอยู่ตามภูมิของตนมันก็หมดไปคือภูมิละเอียดมันก็สร้างปัญหาอันละเอียดมันยิ่งใหญ่ก็สร้างปัญหาอันใหญ่ขึ้นมายิ่ง ล, ละเอียดก็สร้างปัญหาละเอียดขึ้นมายิเ่งหมดไปแล้วไม่มีอะไรสร้างปัญหาหมดปัญหาดุปกันทั้งปวงหมดเหตุหมดปัจจัยของสมมุติที่จะสืบต่อกันแล้ว ค, ว ร, the, ควรับเมื่อแต่ความบริสุทธิ์ดลดวงความบริสุทดุลดวง เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปกับอะไรสร้างปัญหาอะไรนั่นหมาหมดปัญหาหมดตรงนั้นพวกชาติที่เคยเป็นอยู่กับจิตมากน้อยมันรู้มาโดยลําดับลาดาจนกระทั่งเข้าจุดเหรือว่ตั้งแต่เชื้อมันที่จะไปเพาะที่นั้นที่นี่เกิดมันก็เผากันลงที่นั่นด้วยตปัตธรรมแหลกแตกกระจายหมดแล้วภกชาติจะสืบต่อเป็นไงอีกมีไหมจะต้องไปถามใครเล่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขตรงหน้าก็ไม่ถาม เพราะเป็นความจริงเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะถามกันท่านจะเรียกว่าสันทิฏิโกเห็นเองรู้เองอาจจังเวสจะโบวิญูถ้าไม่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนนั่นแหะคือท่านผู้รู้จากการปฏิบตัติรู้จำเพาะไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ลงจุดนั้นอที่ว่าท่านบอกบุษยังธรรมจรดียังเสร็จแล้วงานอัน พะดินฟ้าถล่มไ้เสียชิ้นลงไปแล้วดินฟ้าถล่มก็คือพบคือชาติก่อตัวขึ้นมาด้วยท่าสี่ดินน้ำลมใส่หรือพบชาติประการใดมันก็เป็นเรื่องของสมมุติถึงว่าดินฟ้าถล่มความลงไปหมดนี่อะไรจะมามีอยู่ในจิตนั้นนั่นอนะที่นี่เอาดูที่นี่ดูขี้เลย เมื่ได้ฆ่าลงไปจากจิตดวงนี้แล้วอา้าวมันอยู่กับที่มันอยู่กับร่างใดกายใดกิริยาของใครแสดงมาไหนมันปิดได้ยังไงนั้นรู้หมดมีดาวที่ว่ากิเลสมันครอบหัวเราตลอดเวลาเราไม่รู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูแล้วดูยากที่ไหนแค่นะยับเดียวท่านก็ขยะไปแล้วรู้รู้จนขยะจะว่าไงถ้าท่านจะขยนะเนอะ อืเห็นพวกเรามันตามบอดต่อตามบอดอยู่ด้วยกันไม่รู้ทั้งเรื่องของเราไม่รู้ทั้งเรื่องของเขาไม่รู้ทั้งเรื่องคนอื่นต่างอันต่างไม่รู้แต่ก็เข้าใจว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวดีนี่ก็ทะเลาะกันยักกัดกันเหมือนหมานักเพราะมตาไม่เห็นตาปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าภาษาพวกท่านมันไม่มีที่เรศมันต้องสําคัญตัวเสมอ แล้วถ้าเรา ย, ยิ่งสำคัญตัวว่าดีงนี่เรื่เป็นเช่นไหนไม่เคยลงลงกับความจริงคือทามไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นรามาปฏิบัตเพื่อปราบผินตยงนี้ยาให้มีพานก จ, จิตใจเอาให้แหลกแตกกระจายไปหมดรูสมาลเรียงตองเร่ตา น, นี้เป็นไงนธรรมะอันอธิบายธรรมะป่า วิชาปัญญาสั้างฆาลาสั้างฆาลาปฏิญาวิญญาณนามญาปัญญานามารูปังด้วย้องไปจนปากฉีกมันก็ไม่ได้เรื่องนอกจากอีชาหัวเราะถ้าไม่จ่อวิติปัญญาเขาไปตรงนีจอยวิตกวิปัญญาเป็นทางทลายออกไปไม้ว่าวิชาปัญญาสั้างฆาลาก็ไดจริงอยู่ได้ก็บสบาย มีหาสวดกินข้าวต้มขนมเขาจะจนแหลกพวกเราพวกสวดกินอืธรรมะเลยเป็นเครื่องมือหากินไปทั้งหมดหากินข้าวต้มขนมอกุศลาธรรมะกุศลาธารรมะปยาตาธรรมะคนตายที่ไหนเราไปแล้วอืความฉลาดจะไปสวดหากินข้าวต้มขนมเนี้ยความฉลาดกุศลาธรรมะ อย่างคนให้ฉลาดมันฉลาดหากินก ร, ระตุมขนมไปเที่ยวกเรามันไม่ฉลาดก็มาแก้กิเลสก็ฟันกิเลสจริงๆว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาทาพาคนให้งโงนะ่ไะสิ่งที่พาคนให้งโง่คโอ้โง่หพอตัวอลไรอยู่ไหนก็รู้ชัดๆสงสัยเป็นไงรู้พอตัวต้องเรบพอตัว สําคัญหนึ่งไหนสบายร่ําเวลายิ้มข้าอากาศอาการเป็นการตายไปถุงไปต่างเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนถุกทุกบอาการไหนกําหนดคิดไปให้เสียเวลาทําไมมันถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันอยู่ตามความจริงนั่งแสนสบายยิ่งกว่าจะไปคว้านี้คว้านี้ค้ารวมๆแรงๆพระพุทธกจ้าสังฆารีกินขนาดนั้นมันทั้งไม่อยากกินเหมืนู้นเราว่าแล้วยิ่งพระกรรมฐานเรา ข้างจังงี้อุ้มต้างค์ข้านี้ามอภิชาสำคัญเชื่อพาให้เกิดแมนละเอียดมากเกี่ยวการมันเคยทำาไม่รู้ทำมันต้องเป็นทำมะปฏิบัติลูกเข้าไปลูกเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปจนถึงตัวเลย ไมอธิบายหมู่เพื่อนฟั้งก็งไม่รู้กี่ครั้งกี่หงมั่นยังไงไม่ถึงใจเลียวการอธิบายไม่ได้สงสัยนะอธิบายตามความจริงแท้แท้ทั้งฝ่งงายเหตุฝ่ายผลไม่อธิบายด้วยความสงสัยอธิบายหมู่เพื่อนฟังน่าจะตับอึงนัน่นในนั่นถึงก็ไปจริงจังกับตัวเอง อยู่ไปนานไปมันคินชานะอืความชินชาเป็นอะไรถ้าไม่ใช่กิเลสถ้าทํามันจะราบลื่นมันคล่องตัวไปเรื่อยในการแก้การตรวจความไม่ลืมตัวมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความระมัดระวังสังดวนตัวนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นคือธรรมเอาไปลงความชินชาเลยความชินชาแล้วมันจะไปไหนมั้นไม่ใช่มันจะไม่ไปหน้าด้านจะไปไหนนะถ้าชินชาแล้วหน้าด้าน เขารีว่อะภาษาภาษาอีสานเขาเรียกเล็กก้นเตาอะไรก็าทอองก้นเบ้าหรืออะไร<ม>อีนั่นก็ไม่ได้เรื่องไปทาอะไรก็ไม่มไ ป, ประโยชน์ังนรการท่านเอาที่หนจังนะท่านถือนี้เป็นการเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงๆท่านไม่ให้อะไรไม่ อ, อะไรมายุ่งนะให้ให้ทราบรากฐานลึกกันของการปฏิบัติธรรม แก่นของศาสนาแก่นของผู้พาดําเนินท่านดาเนินอย่างนั้นนะพวกเราก็เห็นตามระดับเลาแต่มันเมื่อความจริงไม่ถึงใจแล้วมันไม่กระจายมันไม่ซึ้งในทำทั้งหลายที่ท่านดําเนินมาพาดาเนินมามันก็ไม่ซึ้งถ้าเป็นเรื่องกิเลสแล้วมันซึ้ง <S <S 1> <S 1> ไม่ว่ามันจะยับมาหมัดไหน่ะเรนเปิดให้มันเลย ก็เปิดให้มันอยู่แล้วแต่มันยังไม่ต่อยมานี่หรืออะไรจะไปคิดปัดป้องมันวะบางทีเลยเหมือนกับว่าควักมือออกนี่อ่ะเขาเข้ามาเลยมาเลยมาเอากองค้างเอากางไกลเนี่ยนะเหมือนอย่างนั้นหงายหมาลงไปหงายแล้วมีท่าก็เหมือนหงายหมาสิงายมีท่ามันงายต่อสู้หงายหลบดิหลบหมัด มันงายแบบเฉียดไม่มีท่าเหมือนถูกน็อกใช่ไหมได้เพราะเราพวกถูกน็อกงายเป็นท่าพูดแล้วเรายัโโางโมโหว่ะโมโหทันหมู่ทันเพื่อนเขาเคยปัดกับมันนอกพอแล้วอ๋อบางครั้งบางขาวเหมือนจะเป็นจะไปทั้งชีวิตเหน่อยอ่าปลายปลาลังนี่ยอุนหิ่งจัด แ, แล้วมัน แข็งแกร่งมันแข็งขนานนั้นเอาวไปเถอะปรมาณนั้นเลยยังไงก็ไม่ถอยอพุ่งได้ น, นะหร่อเวลาเช่นนั้นนะนี่เราได้เห็นเรื่องของอมัสติมาปฏิปทาเห็นได้ชัดอย่างนี้เองไม่ได้คุยเอาความจริงมาพูดกันเดี๋ยวพระพเจ้าอมัสติมาปฏิปทาอเดี๋ยวเรามาแปลกันแปลไม่ปฏิบัติอืม มัจจิมาปฏิบัติธรรมเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักไม่ยิ่งนักมันจะ็นยังไงไม่หย่อนนักมันเป็นยังไงสายกลางนั้นคื อ, อยังไ <nude> งก็เห็นแต่หมอ น, นเสือกับหมอนน่ะมันสายกลางนั่นกิเลสมันมีมัจจิมาของมันยังเหมาะสมโลกที่มันติดมันเดิน <nude> ทางสายกลางนี่หนาลงตรงเสื่อกับหมอน ก, กลางนี่หนานั่นถ้าจะทำำําคําพางเีย <Internet> นแข็งข้อบ้างโอ้ oh, ไม่ได้นะอย่างนั้นนะนั่นกิเลมันกกาะมาเราล่มหนักแล้วนาเลย ถ้าเป็นมัจจิมาของธรรมล้วอากิเลสผลมาโผลมาเลยวางั่นเลยแล้เหมือนกับข้าศึกมันกองทัพใหญ่มาเครื่องมือของมันเป็นยังไงนี่เราต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกน่ะสติปัญญาซึ่งเป็นมัจจิมาไม่เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสได้ยังไงเวลากิเลสผลมาก็ต้องผลไปเลยนั่นแหละเรียกว่ามัจจิมาคือเหมาะสมเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนั้นๆนั่น อเดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าสายกลางไงผมจุดท้ายว่าอยากไปนิพพานก็กลัวเป็นตัญหาเลยฮะนั่นฟังไหนะไปนิพพานกลัวเป็นปัญหาผมเห็นแต่คนตายนั้นไม่อยากแล้วไปนิพพานไเปเห็นแต่มันขึ้นกองฟอนกองไฟอมันจะไปนิพพานเนี่ยเป็นคนตาย อยากกับกิเลสพันกันหนุดวันทั้งค่ำมันเป็นยังไงไม่เห็นผิดพอจะอยากวันนี้พันพอจะหันหน้าออกจากกิเลสมองดูทางนิพพานโอ้ยนี่เป็นตัณหาหนังผมว่าอีกเลยความอยากเป็นมากก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทําไมความอยากเป็นมากมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้อย่างไงเอาตรงนั้นเลยอืนั่นไม่ทันกันนะถ้าไม่พิกิตรู้นี้ไม่ทันกันกิเลสมันแหลมผมมันาดไหน ทำไม่แหลมคมมีสติปัญญาเป็นตัวไม่แหลมคมไม่ได้น้อลิกแพงแบบสัยนงหลายสัญพันธ์คมอยู่มันจะทันกันเผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม้มวยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียท่าเขาโดวยวิธีนี้เราจะแก้วิธีไหนนั่นต้องแก้เลยไม่แก้ก็ถูกนอกจริงนะี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดี่ยวเวลาจําเป็นจนเกาะจนมุมนี้เราเห็นคุณค่ า, ดดววาจรงเพือเ่อนแนะ น, น, นำมาพูดในหมู่เพื่อนฟังพูดโดยความกล้าหาญด้วย มันไม่ได้จนกรอกหนาว่างเลนยเวลาเราจริงจังหนาแน่นก็ทลายเหมือนจะมันมันเราจะให้ตายปัจจุบันสติปัญญาเนี่หมุนเข้าไปตรงนั้นมันออกมาไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกับกะลุมบอลกันแล้วออกเผอได้ยังไงน้องมวยเข้าวงไในแับเผอได้ไหนื่อยสติปัญญามหมุนติ้วติ้วที่ให้มันทุกหนักอะไรมันยิ่งหมุนเข้าไปเรื่อยๆต่อไมันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเแล้วก็พังทลายนานผมมัน อยากตพราะั้นเวลมาพูดกับหมู่เพื่อนมันจะเรียว่าอยาบคือเลาเคยปฏิบัติมันยังไงได้ผลยังไงก็ต้องมันไม่พ้นที่จะนํานิสัยนั้นมาใช่หรือไม่ว่าครูบาจังย์ไหก็เถอะแต่ว่าอย่างนี้นะอย่งหลวงปู่ขาวเราลอ็นูซิไปฟังวงภายใ น, นท่านโอโหเวลาท่านนั่นเสียงนี่โอ้ต่างวานไปเหมือนกับสามเดืนโลกถา่านท่านเด็กไม่ใช่เล่นนะหลวงปู่ขาวนี่ ท่านพูดเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงลุงปู่แหวนอวันกันผมจะเคยไปคุยธรรมะกับท่านแล้วพยายามมาเข้าให้ถึงเพราะท่านก็ร่ำลือมานานเราเร า, ถ, าถ้าเข้าถึงท่านคุยธรรมะกับท่านเอาปั๊บเลยสิโ ธรรมะท่านบรรจุไว้น่าเป็นตุ่มถ้าเป็นถังก็ถังอย่างนี้ไม่เคยได้เปิดออกท้ายอืมอัะไรทุกคนแต่น้ํานี่ท่านก็ดูน้ำนี่เป็นน้ําที่สะอาดน้ําที่มีคุณค่ามากจะไปเปิดทิ้งเปิดอะไรเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับละลายกระปิน้ําทะเลอะไรเงี้ยท่านก็ไม่พูดอะไรดูกันอย่างนั้นแล้วจะเป็นภาพเป็นเนนเป็นมัดเป็นมาก็ตามมันก็เหมือนกับหัวไม้หัวต่อนั่นแหะอยี้ท่าน ไปสนใจอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่พวกนี้มันไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปแหย่ท่านปั๊บท่านผางออกมาเลยเจ้อโอ้โหผมยังไม่ลืมนะคนเราคนที่ดื่อดีวะ่ะใส่ปั๊บเข้าไปเอาไม่เอาหลายหมัด น, นะสองหมัดเท่านั้นแหะใส่เป้าไปท่านกับโหปัดพึ่งเลยเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเปี้ยงเปรี้ยงเนี้ยจะงีเราเร า, เราไม่ลืมนะสิบนาที นี่เข้มข้นไปถึงสิบนาทีแล้วหยุดเหยบ่บเราเข้าใจแล้ว่าท่านพุทธมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้หว่างั้นเถอะนะเข้าใจยบเข้าไปอยู่ป้าเนี่ยโว้ผาอมาเลยคราวนี้สี่ห้า น, นาทีไหลมาเสียงโอ้ท่านมาทราบท่านเป็เสียงมาจากไหนขึงขังตึงตังคึกคั ก, กโอ้พูไม่ถูกเสียงอั่นเยวถ้าเป็คนเดินประจำบริเวณนั้นอะไรที่อยู่ภาะตะลอกเป็นไงยุดพงว่า ไปจบลงอ้าวทำหาหรืว่าไม่ถูกตรงไหนมคานขึ้นมาเห็ว่ากัผมไม่ได้คานคือผมหาทาอย่างนี้แหละอย่าง้ก็ลงนันลงท่านแล้วองคนั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองนั้นน่ะได้คุยกันแ้ยังกับองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังท่านถามไปเลื่ยนะก็บคำามายก็ว่าธรรมะขี้ดืออย่างนี้ ปัญหาขี้ดื่นไปถามไปเทียบตที่ไหนบางคงความหมายก็คงว่ า, างกันนะ <c oughs> โอ้ท่านเยีมย่มเยีม่มแจ่มใสดูทีหน้าที่ตาดูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามันขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยพลังของธรรมท่านออกเต็มที่แต่เป็นโรคเป็นพลังของกิเลสเนี่ยแจะเป็นธรรมกีลมันท่านบริสุทธ์ก็เป็นพลังของธรมรม อ, ออกมาเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้ก็เอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้ อวยวุทุกส่วนเป็นเครื่องมือของกิเลสดังนั้นเป็นนิบาสของกิเลสเมื่อทําไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวแล้วก็ต้องเอาสิ่งนี้มาใช้เพราะฉะนั้นกิจยาท่าทางของธรรมที่นําเครื่องมือของกิเลสมาใช้มันจึงเป็นเหมือนกับกิเลสมี้ลไรที่ว่าคนนั่งหลานว่าท่านอาจารย์ตรงนดูอาจารย์ตรงนี้ดุอย่างนั้นเขาไม่เคยเห็นเห็นแต่พลังกิเลสถ้ากิจยาจะแจงมาเ น, นี่ยนันก็คือกิเลสดีๆนี่เขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไประดนี่เขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้ไปเห็น ท่างจมั่นทั้งแสดงนี่โหถึงทั้งทั้งทั้งไม้ทั้งมือเวลาท่เอาจางถึงพลิกถึงฉิงยัางนี้อยางนีโอ้โหนี่กับมือก็ไตรนี่ก็โดนกระโถนนี้ปิ้งตกตะพักหนึ่งนู่นยังไม่ลืมนะท่านอะไหยุดหละพอมือโดนกระโถนน่ก็ปิ้งผ่านภาพไปนี่ก็ลงนุ่นตกเอ๊ะลงพักหนึ่งเงียบยเท่ก็เงียบ พระก็รีบจับกระนทุท่านดูาพาคเนีย่ยท่านนั่งาพาคเนีย้ยเห็นมว่ามือนเห น, นมันตกแต่กระทจนไปมันทางกันอย่างขนาดเม็ดหนึ่งกับท่านมันก็เงี่งไปตกไปนู้นตกกระพระผ่านไปนู้นพระก็รีบจับนิ่งไปเงียบไปนิดฮะมาท่านพิเลศโอ้มาท่านกระทจนตกเถอะนะ น, นั่นก็ย้อนงไงเป็นไงล่ะพิเรศองพระมันตกไปบ้างไหมล่ะ นึกตกแต่กระถนุนนะไหนปุ๊บเลยยุทธคือวันไหนวันไหนจะมีโทษลมไม้หมูเพื่อนทหาเนื้อหาอะไรไม่เจอทำไมนี่แล้วก็มันก็มีมากเหมือนนั่นมันเหลวๆหลายๆไปนะเราเข็บนัะเรื่องแบบนี้นี่เหลือพาให้ลืมตัวได้ง่ายๆนะ มาแก้กิเลสมันจะการไกิเลสมัดคอนะส่วนมากมันมาแก้กิเลสมีแต่ชื่อนะไอ้กิเลสมัดคอไม่ได้พูดคุณ ท, ทั้งที่มันมัดตลอดเวลาโอ้ย ก, กิเลสมันอยากมากนะละเอียดมากจริงๆนี่ที่มันมันเกินวิสัยของมนุษย์มนาธรรมดาเราจะไปรู้คำมันได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่เราพระโอรสจึงกระเทือนโลก มีองค์เดียวเท่านั้นสามภพนี่มีองค์เดียวเท่านั้นผู้รู้เรื่องผูละผูดป่าไม่ได้นั่นมนุษย์เดียกวัดกันในโลกจึงเป็นมหาอุตมะมงคลอย่างยิ่งแก่โลกนี้ให้ได้เห็นผิดถูกดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์สักทีหนึ่งความศาสนานี่หายไปเพราะ ที่เรนในครอบขอวใจของสัตว์มาให้มีความเชื่อความต้นใจกับศาสนาศาสนาหมดไป น, นี่ก็มีแต่อันเดีย ว, วนะครับข้าไม่หยุมองแง่นหนึ่งเียอุปริยา เ, เป็นพุทธันดรนหนึ่งที่เอามาอุบัติพระองค์มาโพขึ้นมาทีหนึงพอรู้ ใหงเล่าก็เหมือนกันนั่นพุทธันดรนึ่งพุทธันดรนึ่งสติฉันโถขึ้นมาปัญญาแยบบังกับม่ได้เรื่องเท่าแค่นี้ห่วยมื่อิดมิดปิดตาไปอีกไม่เลยพุทธันดรนึ่งูวันหนึ่งมันหนึ่งไม่ได้แค่ไหนไม่ได้่ไหนไม่ได้เรื่องหรือทําบินเป็นเรื่องไปสร้างอะไรบ้างไม่รู้นะมันมักเป็นนักกรรมฐานเรา ไปอยู่นะั้นสร้างอุทกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาไอ้ไอสิ่งอย่างนั้นไอ้เรื่องหัวใจไม่ถือว่าเป็นหยิบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันต้องเอาเรื่องนี้เขาไปเหยียบย่ำทำลายหัวใจจนได้เราไม่เชื่อว่าจะอยู่ธรรมดาธรรมดานี่จะสร้างนั่งช่างนี่ขึ้นมาอะไรข้าวลูกหาอะไรมากิถึงยังมายด์จะงอแหวกมั้ง ผมว่าเนีย่ยผดูไอ้พวกน้องแซงมันน้องแซงมาทํามีมาพวกเจยๆมันไงเสฉยนสร้างอะไรอีกเนี่ยหาเก่าอะไรอีกพวกหมาที่เรื อ, น, อนี้วางองินไมหรอมันอยู่เฉยไม่ได้นะมันคันขี่เรือนมันเกา่านั่นเกา่านี้ช่างนั้นสร้งนี้นะพ่อนี้นะพรความเพียรไม่ติดฟากไม่ติดพื้นเยก้นไม่ติดพื้นคือจิตมันสงบนิดนึงไม่ได้มันดิ่งอยู่นั้นดิ่งอย่างนัน ส ร, สร้างนั่้นีมันสร้างอะไรขึ้นในวันนั้นมีไหมแต่ว่าเรือไม่ตอบเลยนะผมหมาที่เลื่อนอยู่ะ๋อแต่เรื่องเกาอยู่ไหหัวใจที่มันดิน้นมันคันมัทนทำไมไม่เกาเกาลงไปตรงนั้นสิฟันลงไปตรงนั้นสิมันหายคันตรงนั้นแล้วอะไรจะมาทําให้คันไม่มีในโลกนี้มีที่เหลือกันเยอะเท่านั้นทำให้ดิ้นลน่นพออันี้มันราบไปเรื่องนั้นหลยไหนอยู่เธอ โลกธานุนันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละจิตไม่ไปยุ่งสักอย่างเดียวถาดขันมันก็ไม่รับมุ่อะไรกับเราอยู่นี่ก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยู่นั่นางไว้อยมันจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดอะไรกับสีนี่มันต่างกันเพียงความรับผิดชอบสัรธาตุยานที่มันรับผิดชอบขันเท่านั้นตรงนั้นเราเห็นอะไรต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะไปเมื่อไรจะแจกเมื่อไรก็แจกไปที่เนี่ย มันไมแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่นี้มันแต่ปรัชญาธรมชาติของมันอย่างนั้นมันผิดแปลกจากความเป็นอยู่นี้อย่างไรวะไม่เห็นผิดแปลกกันถ้าพูดถึงท่ากับท่าเนี่ยอยู่น่องก็ท่าทำมันอยู่ที่นี่ก็า่าถ้าพูดถึงความจริงอยู่นอกก็ความจริง น, น, นี่ก็ความจริงเนี่ยต่างอันต่างจริงแล้วม่ได้มีเสียกันที่ตรงไหนฮะแค่ เ, <อ>เท่านั้นเองที่ทํำไมสอนทั้งหมดเราก็เลยมดุดภูมิกับ ป, ปัญญามดทะมาสอนสอนมุดภูมิอะไรก็มด มันจะเอาแบบศาสนาเซนเข้านนี่ยคนเราไม่ใช่เซนว่ะเซนจะทำไงอ่นั่งงไปใครเป็นนั่งสัมผัสงานเขาคว้อนเขาตายอย่างนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนผ้านเนี่ยตอนนี้ไม่มีหนังแล้วนั้นเนี่ยถูกคว้านแตกหมดเลยพวกนี้พวกหนังไม่ติดตัวนี่ค้านดีไม่ ด, ด, ด, ดีไม้วัดป่าวันตาจะไม่ไม่มีเหนะือคนมาทําเป็นควา้านไตยผ้าพวกนี้พวกมันมีหนังแหลกถ้าจะเอแบบศาสนาเซน กูต้องต่างกันหมดลหลยหัวอะไรก็มดุดจนมดลมันจะตายแถวที่ว่าท่านหวดไปอยู่ที่ว่าถุกเขาใต้ผมเคยไปเที่ยวหมดแล้วนั่นอุ้ยสงัดมากสบายมากเดย่อไม่มีบ้านค น, นบ้านสีนะห้าหลังคาเรือนไปอยู่พวกเขาอใส่เขาตาํปตาป่าตดำเขามันมีบ้านเป็นหย่อมเป็นหย่อมก่อนผมไปเที่ยวถุกเขาใต้ เพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นแถว น, นั้นผมจึงรู้หมดเพราะอยู่สักคนแปดปีท่องภาษาแล้วก็ขึ้นเขาแล้วเนี่ยปีนี้ขึ้นช่องนี้ปีนั่นขึ้นช่องนั้นลงช่องนั้นปีนั่นขึ้นช่งนั้นลงนั่งหลายปีแต่หลายปีมันก็รู้หมด ก, ก็ไปอยู่ข้าพวกนี้แหละไปอยู่เขาเขาพอได้ยังทีวมตได้เป็นไปวันหนึ่งวันนึ่เพราะต้องการความเพียรมากเขาก็มาสนใจกับเราไปเมตบาทเขามีอะไรเขาก็ให้ซะ ส่วนมากเข้าเ of ่าเนี่ยพริกก uh ับพริกอย่างขนาดที่ว่าบางทีได้พริกมาก็เขาห่อปลาราใส่บาตรเขาไม่ได้กินเียเขาไม่รู้นี่ปลารถ้าเขาหมกไปมันถูกจะก็กินได้อันนี้ไมม่ีให้ทั้งผักทั้งพริกโอ้ทั้งห่อปลาาก็มีนะมาเลยไม่ได้กินทั้งสอง ก็ม่มปลาแล้วผักินก็ขาวทีวเ่เสร็จกินได้ไงสุดท้ายกาไ็ไม่กินทั้งสองนีง่เจอมาหาเจ อ, อ น, น, น, นั่นนี่นะที่ว่าเนี่ยมันเป็นชินแล้วลผมแต่มันก็ไม่เคยสนใจนะก็แปลว่าเราไปหาอย่างนั้นนี่กินต้องเรามันอยู่กับธรรมเนาะไม่ได้มาอยู่กับอาหารการกินก็อาหารยังไงเปไ ง, ไงมีหรือไม่มีมากหรือน้อย ม, มันไม่สนใจมันมุ่งอยู่กิตมันอยู่ธรรมพ อ, อไปพัลลุนแล้ว ชิตให้เป็นไปวันหนึงห่งนหนึ่งเพื่อความเพียนในธรรมทั้งหลายเท่านั้นเพราะนั่นไปอยที่นั้นมันสบายความเพียนนั้นทั้งวันก็ได้ไ ม, มีใครตัวอ้วนกลางคืนกันนั่งจนหลังคดหลังโคนอนหลังถ้าอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเหมาะที่สุดเลยนะเหมาะที่สุดเดียวแ ม, มันสนุกหมุนตัวติ้วติ้วติแต่ถ้า ถ้าจิตจะไม่มีสมาธิก็ต้องมีผู้คอยเนี่ยมีหลักคุณมีผู้พาอยู่พาไปแม้งั้นก็ไม่เป็นท่านะถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็อยู่กับสมาธิ ป, ประเพกระบายมีผมไปอยู่นู่นจิตมีสมาธิแล้วนะหรือว่านี่อยู่ในป่าเนี้ยเขามันก็ไม่เรื่องแต่ไปหาท่านอาจารย์นั่นปีแรกนี่ ที่ประจำมณฑลบางโคกมันติดเจริญก็เสื่ไปเจริญก็เสื่อมพอปีที่สองมันจำบ้านน้ำมนต์เนื่อมันก็ขึ้นของมันได้แล้ว่มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนไม่ได้ลืมนะเพราะเจริญนลไม่เสื่อมตั้งแต่เมษามาพอเดือนพฤษภาฯก็ฟัดกันเลยแบนี้เริ่มนั่งแต่ลอดลุ้งมาตั้งแต่พฤษภาฯในพรรษานเอาลื่อยเรื่อยเื่อยสุดก็คืน แต่แต่ไม่ได้นั่งตอลอดรุ่งทุกวันนะเว้นไปบางทีสองคืนคือทสามคืนบางทีเจ็ดคืนนะเอาทีหนึงเอาทีเมื่อที่เราได้เห็นเหตุเห็นผลของการเด็ดเดี่ยวผลของความเด็ดเดี่ยวของความตัวนกอกมันได้ผลยังไงบ้างมันก็มารู้ชัดๆตรงนั้นตอนปีปีไหนก็ตามไมไ่พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายหากขอมที่สุดก็คือ ปีพันษาสิในชีวิตของพระนี่ผมก็ปีนั้นคือวันหนักที่สุดนะคือมันพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่มันหักโหมด้วยกันจากนั้นมาแล้วมันก็ค่อยสบายเลยมนะันก็เริ่มตัวไล้วไม่นั่งตลอดรุ่งลยู่เลยนะ <c oughs> ไปถึงขั้นปัญญา แล้วมันก็ลืมไปเรื่องอ้ไรเรื่องร่างกายนั่นมันก็ไม่ได้หาโคมอย่างนั้นอีกเพราพออยู่ที่ไหนมันก็เป็นคนเพียนอยู่นี่นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันไม่ได้ปราศจากความเพลียนแม้ที่สุดเวลาฉันอาหารางนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารมันอยู่กับงานทั้งมันต่างหากหมุนติ้วติ้วยังเรียกว่ามันเป็นอัตโนมาตินะแต่จะนอนจะให้หลับมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินกับงานทั้งมันอันหนึ่งก็เรียกว่าอุทจาร มันเพลินในการพิจารณาที่พักแม่สมาธิมันก็ไม่สนใจนอกจากมันจะตายอย่างๆแล้วมันจะเข้าไปหมอบในสมาธิสักตู่นึงอุทจักถูกมันเพลินไม่ใช่อุทจักฟุ้งสั่านําคาญไปอย่างโลกอย่างทั้งหลายสามัญธรรมดาอุทจักขุกุจจะมันเป็นมีวรนห้าในสามัญชนไปทั่วไปแต่อุทจักขุนี้มันเป็น ทำละเอียดความเพลิดเทินในความเพียรจนลืมพักผ่อนนอนหลับพักสมาธิไม่ต้องเคร่งกับงานแต่เดียวเียก่อุทธธจกักในเวลาพิจารณามันไม่ได้สนใจว่านี่คืออุทธธจักนะมันไม่ได้ว่านะลืมตัว เครื่นอ่กับตัวมันก็ไม่ออกใช้ก็เราก็เรียนมาแต่มันก็อะไรอันหนึ่งที่มันหนักกว่าที่มันจะมาสนใจเพราะที่มันมีมันก็คือความเพลินความเบี่อนี่ยมันหนักกว่าแล้มันเล็กไปอันนั้นหนักกว่ากําลังมันหนักกว่าแล้วมันก็เลยไม่มาสนใจว่านั่นมันเพลินไปนะแมาพายไปก่อนนะมันมันว่าไม่มาไม่ว่าจะยิ่งกระทั่งมันจะเป็นจะตายจริงมันเครียหมด ในหัวใจนั้มาพักจะทิ้ะพักสมาธิน่ะบังคับเอาไว้เลยเดี๋ยวแหมมันก็เหมือนกับเราเพิ่มพฤติกสมาธิน่ะแต่มันต่างกันก็คือว่ามันไมีฐานของมันอยู่แล้วเท่านั้นล่ะคือว่าคือว่ามันเข้ามาได้มันไม่เข้าอย่างนมันเพลินเพลินกับงานต่างหากมันไม่ได้เพลินไปแบบโลโลมันเพลินอยู่กับงานเราบังคับคือบังคับออกจากงานต่างหาเนี่ยหะที่มันต่างกัน มันจึงว่าเหมือนก็ไม่มีไม่เคยมีสมาธิมันเลยมันไม่ยอมจะมาเข้ามันมีแต่หมุนอ่ะงนี้ทีนี้พอบางครั้งให้เข้าเนาะกฏฐานสมาธิมันเป็นฐานของมันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรเข้ามันก็องพอสงบมันก็โอ้โหเหมือนถอดเทียนถอดน้ํำนะเบาเบาลงเบาลงโอ้พุดโธถีบผมไม่ลืมนะนั่นแะที่เอาพุทโธมาบริกรรมในขนาดนั้นบางครั้งมันไม่ออก มันมันแยบใชงานเลยกันทีพอมันสงบมันแน่วไปโอ้มันสบายแสนสบายมันก็รู้มันก็น่าจะท่าหลังมันลำบากให้รีบมาเข้านี่นๆอามันน่าจะไปชินกันมันก็ไม่ชินไหพอออกนี้พอปล่อยภาพดุผึ่งเลยหลักงานเอาละพันกันเลยมันจะจะเป็นจะตายมันต้งจะกลับมาอีกทีหนึ่งนี่ภาพ พมันผ่านไปมันเพลินทำให้รู้ไปหมดเลยอ๋อตรงนั้นเปน็่นั้นนันโคตรโคตเกินไปอะไรมันเพลินเกินไปตรงนั้นเกินเกินไปมันก็รู้ถึงวัฏจาักแต่มามาเนะี่ยก็คืออลไรมันก็คื อ, อ, ค, อนะคือความรู้จุดที่รู้จุดที่เด่นก็คือจุดรู้ค้อมกับความฝังสายความสง่าพาเผยความอิง่งอ้อยอิงอัศจรรย์มันทางมีของมันละที่เด็นนี่ว่าโอยละเอียดงมามแบบเปกันออกได้หมดแล้ว คือว่าอ้อยอิ่งที่ว่าเ พ, เพื่อนเอกลาหารทานไท่มันกล้าเป็นกองขี้ควายเหลวไปหมดเลยงั้นมันจะโอโหโอโหเหลือถ้าธรรมชาตินั้นไม่ประสบยิ่งกว่านี้มันจะมาโอโหโอโหมาลงกองกองขี้ควายอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อายเมื่อไหร่ออรนะ่ะแต่ก่อนมัมันอ้อยอิ่งนี่นล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นพยายามสิมันต่างกันขนาดไหนอน้ำตาลมันพังน่ะห่ะ เฉลกดสงเวชทั้งตัวเองทั้งอะไรพูดไม่ถูกน้ำตาพังเฉลกดสังเวชหาไหนนี่หาทํำทาอยู่ที่ไหนนี่ทำอยู่ที่ไห น, ห น, ห น, น, นแบบกดขึ้นเขาลง น, น, น, นั่นทำหาทําทําที่ไหนนี่ทำใหญ่ใหญ่อะไรนี่ก็ถูกคิดว่าแบบนั่นขึ้นบนภูเขา แตนี่มาเอาจุดนี้แล้วเหมือนกับนั่นเหลือไปหมดไปนู่นอแบกอันนี้ไปทําไมไม่ดูเทำหาาามายางแบกไปทำหมายแล้วทำไมไม่ดูตรงนี้กระดูอยู่นั่นแหละเรื่องดูกระดูมันทั้งไม่ไม่ดูอย่างคือมันไม่กระตุ้นใจเหมือนดังที่มันเป็นแลน้วนี่มันจะไปอะไรมันทำให้โอ้ดีนี่มันลําพึงลําพึงนี่ มันพุ่งด้ความถึงใจทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างมันมันมีน้ําหนักเต็มที่เต็มที่ทุกระยะที่มันนําพุ่งนะอ๋ อ, อขนาดนี้ใครจะรู้ได้ใครจะรู้ได้ถึงขนาดนี้มนะันน้ำพุง ยูเคยใครฟังเขาเป็นว่าบ้าเลยหาว่าเป็นบ้าเลยเขาไม่สนใ จ, จกับฟังแเขาจะหาว่าบ้ามยดีมีดมีครคนหาว่าบ้ามีเลยหนึแต่ดูตั้งแต่ตรงนั้นมก็เป็นอย่างนั้นเร ว, ว่าเป็นเรื่องที่สุดที่ใส่ ใครจะรู้ได้เห็นได้มือมันขนาดนี้แล้วใครจะมารู้ได้เห็นได้ขนาดนี้ไงมันเหมือนกับว่าสุดพิสัยทั้งโลกมันก็สุดพิสัยเลยผู้ที่เังกขาก็จะหาว่าเป็นบ้านี่อันนี้บ้ามาไหนมาพูดอะไรอยนี้ไม่พูดถึงก็ดีกว่าที่จะพูดแหนะขนาดนั้นมันเป็นอยู่ไปกินไปพอถึงวันละมันแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเชื่ออย่นี้ไปก็สบายดีกว่าที่จะมาพูดกับเขาว่าบ้าเนี่ย มันเอาแต่เฉพาะจุดปัจจุบันมาพูดมันจะทําให้คิดไปอย่างนั้นเองนี่พอกระจายไปน้า้าวเป็นของสุขสุใสที่ใครก็ยกิ้มใครๆจะรู้ได้ก็นี้รู้ได้ไงรู้ได้เพราะอะไรที น, นี้มันจะกระจายไปหาปฏิปทาแล้วมัน้นรู้ได้โมโึงรู้ตงหลายมัน้ได้มึงเสียของรู้หนึ่งไหนทีมารู้ได้ล่ ะ, ะรู้ได้เพราะอะไร อ๋อได้เพระปฏิัทาก้อปฏิบัติก็เมื่อพูดถึงปฏิบัทาข้อปฏิบัติแล้วทําไมจะไม่รู้ได้พระเจ้าสอนโลกพระ้ิญญาติแต่พระวิญญากับเพียงองค์เดียวเหตุนั้นท่านเอาอะไรมาสอนโลกข้อปฏิปทานี่ใจมันก็เหมือนก็ว่ามันมันคลายของมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องมีความทอถอยอ่อนในใจอ่อนใจอะไรเกี่ยวกับคนอื่น มันก็ยังมันก็มันก็วิ่งไปเองเรื่องขงพระพุทธเจ้าท่านว่าในในตำลาโภงทรงทำลงแขวยน้อยน่ะก็คงจะเป็นลักษณะนี้ดูในวงปัจจุบันนั้นแล้วมันก็ทําให้คนแขวยน้อยก็ทําให้ว่าสุดวิสัยสุดวิสัยแต่มื่แยกไปปฏิปทาเครื่องดาเนินทํำไมเป็นรู้ได้เภาพพิลาหน่ายพิลาเนี่ยเมื่อมีทางมันก็เข้าถึงบ้านสูงขนาะไรเมื่อมีบันไดมันก็ขึ้นได้ไปได้นี่ แด็กลายสงกายตามเมื่อมีทางเหลือมันก็ไปได้เนี่ยอันนี้เรียรขนาดไหนทาําเครื่องํำเนินมามีอยู่อดิปต า, าเครื่อง น, น, นี้พออันนี้ออกแล้วมันก็ทำให้จิตใจคล่่คลายออกเกี่ยวกับโลกขังหลายของพระเจ้าเทียบขอมังข่อยน้อยคนตอบหมาก็มีแต่พระไถ่อยู่ต่างซ้อนใจยังไงที่ว่าถ้ามาปมมาลถนา พวกเราอะไรที่วางห้ฟังฟังกันมาก็เป็นหนจะฉีดเนะีทำมาติดฉีดเพื่กันฟังมือไม่เรื่องในเราอะไรในระยะปีนี้มานี่ผมไม่ก็เอาแน่ไม่ได้นะตั้งแต่เดือนไหนมานะเพื่อจะเพื่อจะพามิจุา น, นาไหมาน่นะ น, น, น, น, นานถึงสิบกว่าวันประชุม ก็พาดไบงหน่อยบ้างการงานยุ่งบ้าไปบ้างขาดไปเป้นคนมากก็มีแต่พระเก่าๆอ่มอามอรมณ์อารมอยมงนี้กอ